บุกทูเก้าสิบสามนาดกรีอนุประโยคใช้เชื่อมซุบฟราโซยคุณชุฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่มินเซีสชุลิอามาสมิน ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ Minestias chuli redenos ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ Minestias chuli dogos min เข า, า อ, ขอาจจะไม่รักฉันก็ได้ chuli able amas i n เ, เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้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 ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหกมีเเเขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่าเเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า alien? เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ m i d b s c h l i vera h a t a s m i n ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ m i d b s c h l i s r i b o s alme ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ m i d b s c h l i e o semi เขาจะชอบฉันจริงจังไหมเขาจะเขียนมาหาฉันไหมเขาจะแต่งงานกับฉันไหม